เดี๋ยวก่อนที่จะฝึกสมาธิหรือจเจริญสมาธิกันนะก็สนทนาทำความเข้าใจสักเล็กน้อยก่อนคือคือเกี่ยวในเรื่องของการที่เราจะมาเจริญสมาธิหรือสมาธิภาวนาที่จริงภาวนามันมีสี่อย่าง มีทั้งกายภาวนาอันนั้นหมายถึงกลุ่มศีลที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับสภาพสังคมสิ่งแวดลอ้อมเช่นการใช้ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสเนี่ยแต่าการมีสติสัมปชัญญะในการดูในการฟังเป็นต้นอันนั้นท่านจัดเป็นกายภาวนาแม้กระการกินอาหารโดยสติสัมปชัญญะรู้คุณค่าดีแท้จริงของการกิน ไม่ได้กินเพื่อเสพติดบริโภคอันนั้นก็เป็นกายภาวนานส่วนศีลภาวนศีลภาวนาเนี่ยท่านคําเน้นเกี่ยวในเรื่องของกลุ่มปาฏิโมกขั้งวรสีนศีนที่เป็นหลักศีนที่เป็นประธานศีนที่เป็นหลักกระศีลที่เป็นประธานก็หมายความว่าศีนที่เกี่ยวกับการมีเจตจํานงความงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลักงดเว้นจากการกระเพิดผิดในการมเป็นต้นอะไรเนี้ย แล้วก็ฝึกทางด้านพฤติกรรมทางกายไม่พอทางวาจาด้วยตรงนี้เขาเรียกว่ากลุ่มศีลและภาวนากลุ่มเจริญศีลดูหลักๆ ก, ก็คือว่าถ้าอินทรีย์สังวรกับอาชีวะปริสุทธิศีลเนี่ยท่านจัดเข้าเป็นกายภาวนาเออขอไปตัวศีลและสังวรอินทรีย์สังวรคือการปิดทางตางของจักรวานกายกับ การกินอนาะหารการใช้บสรอยปัจจัยสี่ที่โยใส่เครื่องหมยาเนี่ยอาหารเนี่ยอันนี้เป็นกายภาวนาส่วนศีภาวนาเนี่ยหมายถึงตัวอุศลศีลที่เป็นหลักที่เป็นประธานศีลที่เป็นแม่บทเช่นศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสอง้อยยี่สิบเจ็ดเนตลอดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของอาชีวปริสุที่ศีนเกี่ยวกับกเลี้ยงชีพอันนี้เป็นศีลภาวนาน ส่วนจิตภาวนาเนี่ยคือการเจริญสมาธิที่เรากำลังจะเจริญกันอย่างนี้กลุ่มจิตภาวนาก็กลุ่มสมมาวัยมะเพียรชอบสมมาสติระลึกชอบสมาสมาธิความตั้งมั่นชอบกลุ่มเนี่ยกลุ่มเป็นจิตภาวนาหรือสมาธิหรือเรียกว่าสมถะภาวะที่ทำจิตให้สงบตั้งมัน่นเป็นอารมณ์เดียวก็คือเอกคต า, าความตั้งมัน่นอย่างจิต สนิทส่วนหนึ่งเรียกว่าปัญญาภาวนานั้นหมายถึงตัววิปัสสนาคือปัญญาที่เขาไปรู้รูปนามรู้สาภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นต้นงั้นภาวนาจริงๆเนี่ยคือการทําให้เจริญขึ้นจึงแยกเป็นสี่ทั้งกายภาวนาศีลภาวนากายภาวนาศีลภาวนาในคำเน้นที่พฤติกรรมกายกวาจาท่านแยกออกมาเป็นสองหมวด ส่วนจิตภาวนาเนี่ยอันนี้ด้านของสมาธิปัญญาภาวนาในด้านของปัญญามนุษย์เราก็มีสี่ด้านเป็นเครื่องวัดถ้าพูดกันให้ชัดลงไปในด้านสิกขาสามก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาอันเดียวกันแล้ตรงเนี้การที่เราจะเชื่อมั่นในหลักของสิกขาสามหลักของภาวนาสี่ดังที่ได้กล่าวเนี่ยการที่เราก็ต้องเห็นคุณของพระธรรม สินสมาธิปัญญานี่เป็นพระธรร ม, มที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้พระธรรมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วใช่ไหมพระธรรมเนี่เป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะปรากฏชัดได้ด้วยตนเองเข้ามาศึกษามาฝึกฝนมาพูดปฏิบัติจะปรากฏจะประจักษ์ชัดได้ด้วยตนเองพระธรรมเป็นธรรมที่จะเห็นได้ด้วยตนเองด้วยการเข้าไปสัมผัสไ้เข้าไปฝึก จากนั้นจะพูดถึงพระธรรมเนี่ยก็เยี่ยมเชื่อมเชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้าด้วยเพราะมีการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านี่แหละการอุบัติเกิดขึ้นกันของของพระมหาบุรุษนี่และพระพุทธเจ้าแทงตลอดความจรงิงคืออริยสัจธรรมทั้งสี่คือพระธรรมแล้วนี่พระองค์ก็เอาพระธรรมนี่มาเปิดเผยมาบอกกล่าวมาสแสดงมาทําให้ง่ายต่อการที่จะเหมาะสมแก่การที่เราท่านทั้งหลายจะได้เข้าไป สัมผัสพระธรรมนั้นนั้นนี่พระธรรมเนี่ยมีความจําเป็นสําหรับชีวิตแต่พระธรรมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระธรรมเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาศึกษาศัพท์เนี่ยก็คือการมาฟังให้เกิดความเข้าใจก็ลงมือปฏิบัติแต่โดยมากเดี๋ยวนี้เขาเลยแยกการศึกษาปฏิบัติไปแยกกันได้จริงคําเดียวกันนะศึกษาเป็นชื่อของศีลศึกษาในเรื่องศีลศึกษาในเรื่องสมาธิศึกษาในเรื่องปัญญา ศึกษาศัพท์นี้แปลว่าฝึกฝนแปลว่าพัฒนาได้เหมือนกันนั้นเราก็มาฝึกในด้านของพฤติกรรมทางกายทางวาจาให้ดำเนินไปตามศีลฝึกสภาพจิตใจให้เป็นไปกับสมาธิคือความตั้งมั่นไม่วันไหวฝึกทัศนคความเห็นให้เป็นไปกับปัญญาเราก็มีด้านที่ต้องฝึกทั้งด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญาอันนี้เป็นมัดเป็นข้อฝึก พระุทธเาเปิดทางนี้ทางอาริยมรรคเนี้ยเพื่อให้เราทั้งหลายได้เกิดความหนึ่งเชื่อมั่นในพุทธเจ้าเป็นพุทธังสาระานังกัจฉามิสองเชื่อสองเชื่อมั่นในหลักการที่พระุธองค์ ท, ท, งทรงแสดงไว้นั่นเป็นธรรมังสาระานังกัจฉามิสามเชื่อมั่นในหมู่ของอริยสงฆ์ที่ท่านฝึกตนเองจนเข้าถึงวิธรรมเดินตามรอยบาทรพระาศาสดาเรียบร้อยแล้วนั่นคือสังขังสาระนังกัจฉามิ นี่กรัตนตรัยก็เป็นศารณะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกำจัดภัยเป็นหลักเป็นหลักในการที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตไปตามท่านเหล่านั้นโดยเฉพาะดันั้นศรัทธาตรงนี้ที่พูดแต่แรกเรีย ก, กตถาคตโพธิศรัทธาก็คือเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตแม้พอเห็ุนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น พรุทธเจ้าเป็นพารหันเป็นผู้ไกลกิเลสแตัสรู้ชอบได้ด้วยโพงเองเป็นผู้ถึงพร้อมในวิชาแดจารณะสิบห้าเป็นผู้เสด็จมาดีแล้วเสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้อริยสัจสี่เป็นผู้ตื่นจากราคะโทสะโมหะ เป็นผู้เบิกบานคือเป็นอิสระเสรีภาพจากกิเลสได้อย่างแท้จริงแล้วก็น้อมใจว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้ามีศรัทธาในพรัฒถาคขเจ้าว่าพรัตถาคขเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้การเกิดขึ้นของพุทธเจ้านี่เป็นอุปการะแก่ข้าพเจ้าลูกกุลงั้นข้าพเจ้าก็จะฝึกตนเอง เพจะเดินตามรอยบาทประสาสด า, สดาการคิดในลักษณะอย่างเนี้ให้เราจขับยาวจะเดินตามบาธรรมนำกระแสชีวิตแต่ก่อนเราก็เดินสเปรย์สปะใช่ไหมเดินไปตามการมาสุขาริการนโยมบ้างบกมุ่นในการมาสุขในการมคุณก็มไม่ได้สุขที่แท้จริงสุขจากภายนอกสุขจากสิ่งเสพแล้วก็ติดนันกันมาเยอะและที่สุดจริงๆริงเราก็เห็นว่ามันไม่ไ ด, ดีจริงเจ็บปวดต้องผิดหวังเพราะมันไม่ที่เพราะมันเปลี่ยนแปลง แต่ความเปลี่ยนแปลงของมันนี่แหละเขาเรียกเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อันนี้จังจริงๆก็แปลว่าอะไรอันนี้จังจริงๆก็คือเกิดดับเกิดดับแต่ไอ้เปลี่ยนแปลงนี่คือทุกข์สองอย่างรวมกันเขาเรียกว่าเป็นทุกขังเขาเรียกว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงนี่แหละมันเลยโฉมมันเลยเปิดเผยโฉมหน้าจริงของมันให้เห็นว่าอ๋อมันเกิดดับ เพราะภาวะที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จึงภาวะความไม่เที่ยงด้วยไอ้ตรงจริงๆก็คืขับเน้นไปนที่ตัวอันนี้จังทุกขั h ทีนี้มันไม่ใช่เเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่มีเหตุปจัจจัยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแบบไม่มีเหตุไม่มีองค์ประกอบที่จริงมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเป็นไปตามสมภาพของมันเองซึ่งไม่มีใครไปโดนบันดาลหรือไปบังคับบัญชาไม่ได้ มันก็เป็นของมันเองไปตามเหตุปัจจัยนั้นนั้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะมีไตรลักษณ์นี่แหละการพ้นทุกข์ยังมีได้เพราะมีไตรลักษณ์นี่แหละการจมอยู่กับทุกข์มันก็จึงมีได้เหมือนกันเมื่อเราเข้าใจไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเช่นศรัทธาก็ไม่เที่ยงถ้าเป็นอันนี้จังขาลงเราก็จะเจ็บปวดศรัทธาความเชื่อมั่น วิริยะความแกล้าหารสติความรลาาาามละลึกได้สมาธิความตั้งมั่นถึงจิตปัญญาความรอบรู้ความเข้าใจถ้ายังเป็นโลกีธรรมอยู่ก็ตกอยู่ในกฎไตรตลักษณ์ไม่เที่ยงฉะนั้นมีโอกาสที่จะหมดไปได้ทุกตัวเลยนะสภาวธรรมเหล่านี้เราท่านทั้งหลายก็ต้องเพียรพยายามในการที่จะประคองให้มันเกิดขึ้นในแด ในขณะที่เราจะต้องเจอต่อสิ่งเรา้าสิ่งกระทบสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่มันพันแปรเปลี่ยนแปลงตัวมันเองตลอดเวลาแต่เราไม่แข็งแรงในวัฒธรรมเราก็จะในส่วนดจริงศรัทธาก็จะตกเนาะฉะนั้นในเรื่องของศรัทธาเนี่ยสําคัญมากก็คือตรงที่ศรัทธาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนั้นจะเป็นพลังศรัทธาทําให้เกิดความกล้ า, าหาญไม่กลัวภัยอันตรายใดๆ มีความกล้าที่จะคิดกล้าที่จะพูดกล้าที่จะทำโดยไม่มีความกลัวหวาดวันหรืออ่อนไหวนั้นศรัทธาจะเป็นองค์ธรรมหมวดหนึ่งในเวสาระชะกัลณธรรมคือธรรมที่ทําให้เกิดความกล้าศรัทธาเป็นข้อแรกและก็มีปัญญาเป็นข้อสุดท้ายนั้นศรัทธาเนี่ยเป็นที่พึ่งที่อาศัยเป็นที่ยึดหน่วงจิตใจด้วยเมื่อ เกิดความเชื่อในสิ่งใดบุคคลก็สามารถจะยึดเอาสิ่งนั้นๆมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยยึดเหนี่ยวจิตใจให้ระลึกถึงแล้วก็ทําให้เกิดความอุ่นใจแก่ตนเองได้พระพุทธเจ้าบอกว่าศรัทธาวิตังปริสสะเศถังศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของคนในโลกนี้ข้อนี้แสดงเห็นว่าทรัพย์มีสองประเภทนะทรัพย์ภายนอกคือวัตถุสิ่งของต่างๆทรัพย์ภายในเนี่ยหมายถึงคุณความดี ทั้งสองประการนี้ที่จัดว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐก็จะแก่ทรัพย์ภายในนะมันเป็นสมบัติติดตัวอยู่ตลอดเอามาใช้ได้ทุกเมื่อไม่สูญหายด้วยภัยอันตรายนานาประการก็ทําให้อ้างไม่ทําให้อ้งางว้างยากจนใครแย่งชิงไปไม่ได้ศรัทธาที่เป็นว่าเป็นอริยทรัพย์ในข้อนี้ข้อแรกนะศรัทธาจัดเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐความเชื่อที่มีเหตุ ผลมั่นใจในหลักที่ถือและในการที่กระทำเพราะเกิดศรัทธาแล้วก็พัฒนาไปสู่ศีลการรักษากายวาจาพฤติกรรมทั้งหลายให้เป็นไปกับ ค, ความเรียบร้อยดีงามหิรินี่คือความละอายต่อบาปอากุศลกรรมมันชั่วร้ายอตตปะ ก, ก็คือความเกรงกลัวพระอุสั จ, จ่าความเป็นผู้ได้ศึกษาเราเรียนมากฟังมากจา่าฆาเสียสลักเพื่อเพื่อเพื่อแผ่ที่เรากล้าสละข้างในนี่แหลจะจ่าคะ ปัญญาความรู้ความเข้าใจอย่างทองแท้ในเหตุผลดีชั่วผิดถูกคุณโทษเป็นต้นฉะนั้นศรัท ธ, ธาเนี่ยจึงเป็นที่พึ่งที่อาศัยจุดเป็นเพื่อนเป็นสหายของบุคคลพระพุทธเจ้าบอกว่าสัท ธ, ธาทุติโยปุริโสหรือปุริสัตสาวติบอกว่าศรัท ธ, ธาเป็นเพื่อนสองในสังสารวัฏหนึ่ง ศรัท ธ, ธาเป็นเพื่อนคนไม่มีศรัท ธ, ธาแปลว่าไม่มีเพื่อนแต่ที่ผ่านมาเราจะมีตัณหาทุติโยภุริโสมีตัณหาเป็นเพื่อนงั้นตอนนี้เราก็มาแยกว่าเราจะให้ศรัท ธ, ธาเป็นเพื่อนหรือจะให้ตัณหาเป็นเพื่อนแต่ก่อนที่ผ่านมาเราให้ตัณหาคือความทะยานอยากในเป็นเพื่อนเราไปสัมพันธ์กับบุคคลกับ สิ่งของหลักการใดๆแล้วก็ให้ตัณหาเนี่ความอยากได้เนี่ย เ, เป็นเป็นตัวชักนําชักจูงและมีอวิชชาหล่อเลี้ยงอยู่เบื้องหลังแต่ถ้าเรามีศรัท ธ, ธาเป็นเพื่อนศรัท ธ, ธาตระติโอคังว่าศรัทธาจะเป็นทําให้เกิดความแกล้งกล้าอาถานทําให้เราข้ามโอคัได้โอคังคือห่วงน้ําหรือสังสารวัตรถ้าไม่มีความแกล้งกล้าไม่มีความอาถาน หนึ่งเชื่อมั่นว่าเราจะต้องข้ามห่วงน้ำํำหมิงสังสารวัตรไปสู่จุดหมายปลายทางคือนุปาทากริพานได้ความเชื่อตรงเนี้เราเชื่อในธรรมะเชื่อในหลักการที่เราจะมาประพฤติปฏิบัติพอเกิดความเชื่อตรงเนี้ความเชื่อก็จะเป็นปัจจัยยึดโยงพัฒนาไปถึงปัญญาใช่ไหมตรงเนี้เมื่อศรัทธานั้นเกิดความมันจะเกิดความมั่นใจอุ่นใจในการฟัง ในการดำเดนินในการประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์นี่นะศรัทธาเป็นที่พึ่งอาศัยของบุคคลคือก่อให้เกิดการสั่งสมคุณความดีไว้มากชนเหล่าใดมีใจผ่องใสแล้วให้อาหารนั้นด้วยศรัทธาอาหารนั้นก็ผนเอาผนอเขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้าศรัทธาพันธติ ปาทยะโดยัา ธ, ธารวบรวมไว้ซึ่งสเบียงก็คือกุศลงั้นกุศลที่เราสั่งสมกันไว้ในีศรัทธาเป็นตัวเก็บศรัทธามันเหมือนคนที่มือพิการก็ไม่สามารถที่หยิบเพชรเงินดินดางเงินทองเป็นต้นได้คนที่ไม่มีศรัท ธ, ธาก็มีสามารถหยิบเอาสติปทานหยิบอาสมปาปทานเป็นต้นเน่ยเอาเข้ามาไว้เป็นของตนเองได้ นั้นพอมีศรัทธาเรายังหยิบเอาสมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเป็นต้นได้นั้นความสําคัญของศรัทธาในฐานะที่เป็นตัวรวบ ร, ว, บรวมสเสบียงก็คือกุศลความดีต่างๆความเชื่อเป็นตัวนําให้บุคคลทําความดีอื่นๆตามมาเช่นมีศรัทธาที่จะทําบุญถวายทานจะรักษาศีลจะเจริญภาวนาก็จะทำให้ทำประโยชน์ แกตนเองและบุคคลอื่นเป็นต้นได้นั้นศรัทธาเนี่ยทำให้เกิดความอุ่นใจและได้ประโยชน์ในภายหน้าเขาเรียกว่าสัมปรายกัตถะหนึ่งศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาจะพัฒนาเป็นสุสีและสัมปทาถึงพร้อมได้ศีลาาจ่าค่าสัมปท า, าถึงพร้อมได้การสลักแล้วก็ปัญญาสัมปท า, าถึงพร้อมได้ปัญญา บุคคลที่มีศรัทธาท่านเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่สมบูรณ์ด้วยกิ่งใบผลและลำต้นเป็นที่พึ่งอาศัยของฝูงสัตว์นานาชนิดพริยาวดูกรวิจิตรทั้งหลายเปรียบเส ม, มือนต้นไสใหญ่ที่กลางสี่แยกมีพื้นราบเรียบย่อมเป็นที่พึ่งของพวกนกโดยรอบชั้นใดกุลบุตรผู้มีศรัทธาก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นที่พึ่ง ของชนเป็นอันมากแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาฉันนั้นต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านที่ทางสี่แยกมีพื้นราบเรียบจําเป็นที่พึ่งของพวกนกโดยรอบชั้นใดกุลบุตรผู้มีศรัทธาก็ชันนั้นย่อมเป็นที่พึ่งของชนส่วนมากเหมือนกันอย่างนั้นดังที่ได้ดกล่าวที่นี้คำว่าเป็นที่พึ่งของนกเป็นเป็นต้นเนี่ยทให้เกิดสุข ผู้ต้องการความร่มเย็นย่อมเข้าไปหาอาศัยร่มเงาผู้ต้องการผลก็ย่อมได้รับผลเช่นใดท่านผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะไม่มีอาสวะเป็นบุญญาเขตในโลกย่อมคบหาบุคคลผู้มีศรัทธาให้ทั้งหมดซึ่งสมบูรณ์ด้วยศีลประพฤติถ่อมตนไม่กระด้างสุภาพอ่อนโยนมีใจมั่นคงเันนั้นเหมือนกัน ท่านเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมเพื่อบรรเทาทุกทั้งปวงให้แก่เขาฉะนั้นถ้าเรามีศรัทธาไว้ในพระรัธนตรัยนะพระพุทธเจ้าไม่ทิ้งเราพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือสาวกพรพุทธเจ้าก็จะเข้าหาคนที่มีศรัทธาคนที่ไม่มีกิเลสทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเมื่อเข้ า, เ ข, าเข้ามาหาแล้วก็จะมาเลยมาแสดงธรรมใช่ไหมมาบอกข้อมูลเอาละตรงนี้ได้พูดถึงในเรื่องของศรัทธาว่าหนึ่ง ศรัทธานั้นเป็นปัจจัยหรือพัฒนาตนเองให้พ้นจากทุกข์ถามว่าคุณนะภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักมีความตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมไปเห็นพัตถาคตรหรือสาวกของพัตถาคตการเห็นนี้เชื่อว่าเป็นการเห็นที่ยอดเยี่ยมอย่างนี้เป็นต้นเน้นศรัทธานจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนทําให้เราเนี่ยพ้นจากกิเลสและกองทุกข์เป็นต้นได้ วันนี้ที่กล่าวตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าศรัท ธ, ธาเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากในการที่จะทำให้สมาธิตั้งมั่นได้ดีถ้าไม่มีศรัท ธ, ธาเนี่ยสมาธิจะเกิดยากงั้นเพราะการมีศรัท ธ, ธานี่แหละจึงเป็นปใจใัจจัยเกิดสมาธิได้ง่ายอย่างยกตัวอย่างเช่นกรรมวิศฐาเชื่อกำใช่มเชื่อกดเห่งกรรมก็คือเชื่อกรรมมีอยู่จริงเชื่อว่าทำอะไรแล้วจะได้รับ นี่เราก็เชื่อมรค ก, กรรมเนี่ยจะนำกระแสชีวิตของเราให้ออกจากกิเลสและกองทุกข์เป็นต้นได้ทีนี้ประเด็นก็อยู่ตรงที่ว่าการที่เราเนี่ยจะยังจิตของเราให้ให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวได้การมีศรัทธาจึงเป็นเรื่องสำคัญค่อนข้างมากก็คือถ้าไม่มีตัวฐานของศรัทธาแล้วเนี่ยการที่เราจะประพฤติปฏิบัติในการที่จะเป็นปัจจัยต่อการ พนจากกิเลสและกองทกขนเกิดไม่ได้ทีนี้ศรัทธาเป็นตัวนําถ้ามีอย่างที่ได้กล่าวว่าตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อมั่นปัญญาแั่สรู้ของว่าตถาคตทีนี้ศรัทธาเนี่ยมีศรัทธาที่ปิดกั้นปัญญากับศรัทธาที่ส่งเสริมปัญญาถ้าศรัทธาแบบประเภทที่ไม่ไม่มีการให้คิดต่อ หรือไม่พัฒนาต่อมันก็เป็นศรัทธาที่ติบแต่ในพระาศาสนาพระพุทธเจ้าบอกว่าศรัทธาให้เป็นเบื้องตน้นได้พัฒนาเป็นอจลาศรัทธาเป็นศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวไปตั้งมั่นอยู่ในเหตุและผลมีญาณอย่างรู้อย่างนี้เป็นตน้นอันดับแรกที่ท่านบอกว่า<ด>เชื่อมั่นว่าอาณาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วกระทาไม่มากแล้ว ย่อมยังบาป อ, อกโรและทมันชั่วลาให้สงบไปโดยพันถ้ามีศรัทธาเชื่อมั่นว่ารมตัวนี้ใจก็จะน้อมก็หาว่าโอ้สติแล้วเชื่อมั่นในสติเชื่อมั่นในสมาธิเชื่อมั่นในความเพียรแล้วก็เชื่อมั่นในปัญญาัน้นเชื่อมั่นในมรารคาคือเส้นทางนี้เราจะดำเนินไปตามทางนี้เข้าไปสู่ความพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ให้ได้ทีนี้ตัว ตัวสติหรือตัวสมาธินี่คือความตั้งมั่นแห่งจิตเนี้ต้องมีอาหารไม่ใช่ไม่มีต้องมีเหตุปัจจัยดังที่เคยกล่าวไว้แล้วว่าให้สังเกตดูว่าการที่เราใส่ใจหรือมนานัศกาลไปในเรื่องของไปในเรื่องของความฟุ้งหรือเรื่องราวต่างๆที่เป็นเหตุที่เกิดความฟุ้งเยอะๆจิตจะไม่มั่นคงจิตจะไม่ตั้งมั่นฉะนั้นให้มาพิจารณาว่า วานละนี้เวลานี้เราจะเข้าเป้าพระพุทธเจ้าให้นึกถึงว่าสมาธิงพิกเวบาเวถาสมาโยยะถาบูตังวชานาติพระเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิจงพัฒนาสมาธิจงฝึกสมาธิจนจงทาภาวะจงทำสมาธิให้เจริญให้พัฒนาเธอเมื่อสมาธิพัฒนาหรือเจริญแล้วเนี่ย จะได้เป็นปัจจัย ก, การที่เข้าไปรู้ชัดตามความเป็นจิตเอาแล้วแต่เนี้ยพอมาพิจารณางี้บอกเอาเราจะต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นให้ได้จิตให้มีพลังฝึกจิตให้ผ่องใสให้สะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วฝึกจิตให้ไม่มีมลทินคือกิเลส ค, คือราคะโทสะโมหะเราจะฝึกจิตให้มีความแข็งแรงมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหว เราจะทเราจะฝึกจิตให้เข้าถึงความสุขความสงบความเยือกเย็นแล้วก็จะฝึกจิตให้มีพลังทีนี้การจะฝึกจิตให้มีพลังเนี่ยมันต้องรวมเป็นหนึ่งการที่จิตที่จะรวมเป็นหนึ่งถ้าดูบัวมาววนน้ำเนี่ยว่ามันไหลลงจากภูเขาถ้าหากว่าน้ำมันไหลแบบลาดไปท่วมมันจะไม่มีพลังมันไหลลาดไปหมดเลยแต่บุคคลที่ฉลาดก็ทาร่องเขาไว้ ทำล่องหรือให้มันไหลลงจากภูเขาให้มันรวมกันเป็นหนึง่งแล้วเวลามันไหลพุ่งลงแหลงแหลมันจะสามารถพัดพาของพวกของที่ไม่สะอาดหรือว่าขยะหรืออยากเยื่อทั้งหลายหรือสิ่งที่กิดขวางทั้งหลายให้กระจายไปให้หมดสิ้นแม้ช่นใดงนั้นจิตที่มันซ่านกระจายไปอย่างทุกวันที่เป็นอยู่พุ่งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆนี้จิตประเภทเนี้ยขจัดของเสีย คือคือความราคาตัสมามุหะไม่ได้ไม่สามารถขจัดขยะมูลฝอยที่อยู่ในใจนี่ให้หมดสิ้นไปไม่ได้ฉะนั้นวิธีเดียวก็คือรวมจิตให้มาเป็นหนึ่งรวมจิตให้มีพลังแล้วก็เมื่อจิตมีพลังแล้วใช้จิตที่มีพลังเดยนั้นเน่พุ่งไปดิ่งไปในแนวไหนมันก็จะสามารถมีพลังขับเคลื่อนหรือขจัดของเสียออกจากจิตได้ถ้าตราบใด ถ้าจิตยังแตกสานกระจายอยู่เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปเรื่องนั้นบางเรื่องนี้บางโอ้ยฟุ้งซ่านไปทั่วถ้าสภาพจิตยังเป็นอย่างนี้อยู่จิตไม่มีพลังจิตไม่ผนึกกันเป็นก้อนจิตไม่จิตไม่ใสจิตไม่สะอาดเป็นจิตที่ขุ่นมัวพระมีอะไรมากระทบมีอะไรมาเล่านิดหน่อยก็วิ่งไปเรื่องนั้นตลอดเวลาไม่สามารถที่จะรวมมาจุดใดจุดหนึ่งหรือเป็นหนึ่งเดียวไนดะ้ ชันวิธีการตรงนี้แหละนั้นถ้าบอกว่าเหมือนเหมือนน้ําที่บอกเนี่ยน้ําที่ปล่อยลงจากภูเขาถ้าปล่อยไหลผ้าไปโอ้ไม่มีพลังเลยพัดอะไรไปก็ไม่ได้พัดตึกรามบ้านช่องก็ไม่พังมือพัดตะเกี่ยวในเรื่องขยะมูนปลฝอยก็พัดไม่ได้ก็ไหลถึงเขาต่อให้น้ํามากขนาดน่ะน้นํามากขนาดไหนก็กระจายผ่าผ่าไปหมดเลยวิธีการรวมที่น้ำมันกระจายไปทั่วให้มารวมเป็น แล้วก็ทำเป็นร่องทำเป็นร่องให้มันไหลพุ่งแเลยนี่เหมือนกันตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องการไม่สามารถทำจิตให้รวมเป็นหนึ่งได้ใช่ไมไม่สามารถทำให้จิตให้รวมเป็นหนึ่งได้วันนี้เราจะมาหาจุดโฟกัสที่เราจะทำจิตให้รวมเป็นหนึ่งเอาแล้วพระเจ้าก็บอกอาณาบานาสติที่ภิกษุจเจริญแล้วก็ทำไม่มากแล้ว จะสามารถทําให้บาปอากุิลธรรมอันชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วแล้วเนี่ยที่เกิดบ่อยๆในใจของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยสงบไปอย่างเร็วพันเหมือนฝนใหญ่ที่ตกในสมัยไม่ใช่ฤดูกาลโอ้เราเลือกถึงพระเจ้าเป็นพระทหารไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพระเจ้าฝึกตนเองทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาจนสามารถเข้าถึงความตั้งมั่นแห่งจิตได้ แล้วเอาภาวะที่จิตตั้งมั่นนั้นเป็นฐานปฏิบัติการของปัญญาเมื่อจิตมีพลังและมีปัญญาเป็นตัวนำขจัดกิเลสในกระแสะชีวิตในกระแสะขันของพระพุทธเจ้าให้อันตรธานไปอย่างรวดเร็วไม่ติดค้างอยู่ในใจจนตัสรู้นุตตาส ม, มาสัมพริยานได้ไหมฉันใดอ๋อเรารู้วิธีแล้วว่าสมาธิเนี่ยไม่ใช่แค่เราจะมาฝึกสมาธิเพื่อเป็นสุขที่กล่องไม่ใช่ เราไม่ใช่องการมาหยุดอยู่แค่สมาธิแต่เราจะเอาสมาธิเนี่ยเป็นตัวขจัดของเสียในจิตนะขะจัดความเศร้าหมองขจัดความขุ่นมัวตอนนี้จิตเราไม่ค่อยมีพลังจิตเราไม่ค่อยแข็งแรงจิตไม่ค่อยตั้งมั่นจิตนั้นยังซัดสายตลอดเวลาเลยมีอารมณ์เรื่องราวต่างๆเข้ามาหรือมีสิ่งเ้านิดเดียวแค่นี้วิ่งไปแล้ว แล้วก็เพลินไปกับสิ่งเร้ามากมายบางทีมีเสียงมาก็าวิ่งไปตามเสียงมีมีรูปมันก็วิ่งไปตามรูปมีกลิ่นมารถมาสัมผัสมาเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องทรัพย์เรื่องบุตรเรื่องภรรยาเรื่องสามีเรื่องคนใช้เรื่องเพื่อนโอ้ยมากมายเหลือเกินมันวิ่งไปทั่วเลยอ๋อกิตมันแตกสร้างไม่มีความกิจไม่มีพลังเอาแล้วเรารู้วิธีแล้วแต่เนี้ เมื่อรู้วิธีว่าทําไมเนาะพระเจ้าจึงบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเมื่อภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้วจะได้รู้ชัดตามความจริงเอาแล้วเรารู้แล้ ว, ลวตอนนี้เรายังไม่สามารถทําจิตที่มีพลังเหมือนกับน้ําที่ตกจากภูเขาที่จะกําจัดพวกขยะมุญฝอยให้อันตราฐานออกไปจากสถานที่เหล่านั้นได้นั่นในจิตเรามีของเสียเต็มเป็นหมด ฉะนั้นเราจะไปละยังไงก็ละไม่ได้ตอเนี้เราไม่อยากโกรธก็โกรธไม่อยากโลภก็โลภไม่อยากหลงก็หลงไม่อยากเกลียดก็เกลียดไม่อยากชังก็ชังอะไรก็แล้วแต่นี่นะไม่อยากลำเอียงมันก็ลำเอียงไม่อยากมีฉันทากติโทสากติโมหากติพยากติเราไม่อยากเป็นแบบนั้นนะเราไม่อยากเลยพอผ่านมาแล้วตกใจทุกทีเราเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยนั้นถึงคิดแทบตายมันก็ไปไม่ได้หรอมันก็ได้แต่ความคิดเพราะอะไรจิตมันไม่มีพลัง อ๋อเรารู้ความจริงข้อนี้แล้วดังั้นมิธีการตอนนี้ก็คือเกิดความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าถ้าเธอปรารถนาจะขจัดของเสียในจิตเธอก็ฝึกจิตให้มีพลังสิให้จิตตั้งมั่นให้จิตมีความใสสะอาดของแผ่วให้จิตปราศจากบนทินเสียเมื่อจิตมีพลังแล้วจิตมีความสุขแล้วจิตมีความตั้งมั่นจิตไม่หวั่นไหวจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว เธออย่าไปติดกับความสุขตรงนั้นนะจงเอาความสุขหรือสมาธิหรือความตั้งมั่นตรงนั้นแหละเป็นฐานปฏิบัติการก็ปัญญาเลยเพราะปัญญามาจัดการนำล่องโอ้โหจะไปอย่างเร็วจะขะจัดของเสียเหมือนฝนหาใหญ่ที่ตกในสมัยไม่ใช่ฤดูกาลเนี่ยยังฝุ่นละอองอย่างปัจจุบันในกรุงเทพเนี่ย โ, โห้ยฝุ่นฝุ่นเล็กๆๆๆ เ, เ, เ, เ, เ, เ, เนี่ยเยอะมากวันก่อนฝนตกเห็นไหมเมื่อวานดีฝนตก โอ้โหเขบอกก็ลองน้ํามานี่แดงเครอะไปหมดเลยว่างั้นเถอะนั่นแหละในจิตเราก็มีของเสียเต็มไปหมดแบบเนี้ยฉะนั้นต้องให้สมาธิที่เป็นเหมือนฝนห่าใหญ่นี่ยมีความตั้งมั่นเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วก็สมาธิเป็นฐานแล้วก็ใช้ปัญญานําจิต จะขจัดอะไรก็ได้ดจะขจัดของเสียอะไรออกหมดเลยกามาฉันท่าความติดใจไปกระสันมีศัตรูของสมาธิก็จะถูกขจัดออกไปพยาบาทคือความเครียดความโกรธความหงุดหงิดทั้งหลายก็จะถูกขจัดออกไปทีน้มิท่าความหัดถูท้อถอยเซ็งซึมทั้งหลายก็จะถูกขจัดออกอุทธิจักกุกุจัความพุงสางลำคาญใจก็จะถูกขจัดออก วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยความไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะถูกขจัดออกเป็นเบื้องต้นสมาธิที่ในอาณาปณะสติก็ดีสมาธิที่ในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็ดีสมาธิในการระลึกถึงคุณความดีทั้งหลายที่ตั้งมั่นอย่างจิตสมาธิเหล่านี้ยจะขจัดของเสียเบื้องต้นให้จิตบินพลังจิตใสจิตสะอาดจิตตั้งมั่นเมื่อได้สมาธิแบบนี้ได้จิตแบบนี้มีปัญญาเป็นตัวนาต่อไปจะขจัด กิเลสที่ละเอียดละเอียดที่ไม่สามารถมองเห็นหรือรู้ได้ขจัดออกได้วันใดเราขจัดได้อย่างตาวรวันนั้นก็เราก็ออกจากความเป็นปุถุชนเข้าสู่ความเป็นอริยชนข้ามโคตรปุถุชนเข้าสู่โคตรของพาริยะออกจากความเป็นปุถุชนผู้มุดบอดออกจากเป็นคนพานเข้าสู่ความเป็นบัณฑิต ออกจากสความไม่รู้เข้าสู่ความเป็นผู้รู้ออกจากความฟุ้งซ่านเข้าสู่ความตั้งมั่นแห่งจิตภาวะสภาพกระแสชีวิตจิตใจก็เข้าสู่ความเป็นอริยชนนั่นแหละเราก็เป็นรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมของอริยชนเป็นต้นเหล่านี้นั่นเป็นจุดหมายฉะนั้นในโอกาสที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสมากเกิดทําความเข้าใจไว้ก่อนแบบนี้ เมื่อเราทำความเข้าใจอย่างนี้ได้แล้วเวลาเราจะฝึกมันจะได้มีพลังถ้าเราไม่ทำความเข้าใจไว้ก่อนเราก็จะไม่เห็นจุดหมายตอนนี้ต้องการให้เห็นจุดหมายว่ามัคคาปฏิฏฐามัชฌิมาปฏิฏฐาการดำเนินไปตามทางสายกลางเนี่ยมันมีวิธีการทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาวันหนึ่งเราต้องมีโอกาสได้หลีกเล้น ผลพลอยได้ของสมาธิมีมากเช่นภาวะที่จะเป็นคนที่มีความสุขได้ง่ายขึ้นในชีวิตจริงและเป็นคนที่คิดอะไรได้รวดเร็วขึ้นจิตใจปลอดโปร่งมากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่ไม่หวั่นไหวไปต่อสภาพอารมณ์สิ่งเล้าทั้งหลายเหล่านี้จิตจะมีความแข็งแรงตัางมนันนั้นเป็นผลพลอยได้อีกมากมาย ทำกิจการงานทั้งหลายก็ไม่ความทุกข์ความเครียดความขัดขุ่มทั้งหลายก็ไม่ไหลเข้าสู่จิตดังนั้นเป็นผลพลอยได้แต่จุดหมายหลักจริงๆก็คือเป็นฐานปฏิบัติการของปัญญาที่จะได้เข้าไปรู้ชัดสภาวธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงนั้นให้นึกถึงพระดำํำรัสของพุทธเจ้าว่าเราต้องการจะเจริญอนานาปณสติแต่เราอาจจะเจริญพุทธคุณก่อนก็ได้นะทั้งหมดเหล่านี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย จะเห็นความงามของพุทธคุณว่าธรรมคุณและความงามของพระสังฆคุณแล้วเราก็ต้องการอยากจะฝึกตนเองให้เข้าถึงพระทานไตรยยัยตัวนี้ให้ได้ด้วยฉะนั้นในขณะที่เราเกิดภาวะได้ความรู้ได้ข้อมูลชัดเจนอย่างนี้แล้วจิตจะเกิดความมีพลังไอพลังตัวนี้ก็เรียกความเชื่อมัน่นกว่าเกิดความแ ก, กลียดกล้าที่สําคัญมากถ้าไม่สามารถให้เหตุปัจจัยหรือมนสิย์การให้ศรัทธาคือความตั้งมั่นเกิด ความเพียรแ ก, กล้าความเป็นผู้มีสติเป็นตาทีนี้ให้สังเกตดูก็คือว่าระหว่งางศรัทธากับปัญญาจริงๆต้องให้ได้ดุลยภาพแต่เบื้องต้นที่จะทำสมาธิให้ศรัทธาเกินก็ไว้ไม่เป็นไรให้มีความเชื่อมั่นมากกว่าปัญญาไม่เป็นไรพระเป็นขั้นตอนของการฝึกเบื้องต้นแต่เมื่อได้สมาธิแล้วก็ไปจูนอีกทีหนึ่งให้ศรัทธากับปัญญาได้ดุลยภาพ เพราะถ้าอย่างนั้นมันก็จะมีความศรัทธาก็จะไปติดแล้วก็จะไปเชื่อแบบงม ง, ง, งายและเหตุผลถ้าให้ปัญญามากเกินไปมันก็ไดแต่อยากรู้อยากรู้หรือว่านักเข้าเข้าไม่ลงมือทำอะไรก็รู้หมดรู้หมดอลไต่างก็เลยกลายเป็นเกเรไปหรือวิริยกกะกับสมาธิถ้าสมาธิชอบสมาธิมากๆก็จะเป็นคนติดความสงบติดความสุขแล้วเกลียดท้าเฉยชา ไม่กระตือหรือร้นถ้าเพียรมากมันก็จะฟุ้งซ่านแต่ค่อนข้างฟุ้งเยอะนี่ฉะนั้นวิริยะกับสมาธิก็ต้องให้ใจดุลเยภาพแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือสติทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสติเนี่ย ก, การว่าความระลึกได้ทีนี้สำคัญมากเห็นให้สังเกตเลยไหมว่าพุทธานุาส ต, ติมีจะมีคำว่าสติการระลึกถึงคุณของวิริยาก็ต้องใช้สติเป็นตัวนำล่อง ทำ ม, มานุสติการระลึกถึงคุณของว่าธรรมก็ใช้สติเป็นตัวนําร่องสังขานุสติก็คือการระลึกถึงคุณของปร r i t y a สมก็ใช้สติเป็นตัวนําร่องจนถึงอาณาปานาสติบางแห่งจะมีคําว่าอาณาปานาสติสมาธิบ่งบอกถึงว่าเวลาจะเจริญกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าและลมให้ใจออกกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่ละเอียดฉะนั้นเวลาทําจึงฟุ้งซ่านได้งา่าย เพราะความละเอียดของลมพอไม่เห็นลมหรือจิตไม่น้อมที่จะไปดูลมหรือไม่ระลึกอยู่ที่ลมเนี่ยเนะเข้าเนืเข้าก็จะแล่นไปในทางอื่นได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าลมเป็นภาวะที่ละเอียด ท, ทั้งทั้งที่อยู่กับเรามานานยิ่งเรามานั่งสงบสงบพะจิตยิ่งสงบเข้ามากเท่าไหร่ก็จะเป็นปัจจัยทำให้ลมละเอียดมากขึ้นเท่านั้นฉะนั้นมันยิงเห็นได้ยาก พอสติพัฒนาไม่แข็งแรงพอสติไม่เด่นสติจับลมไม่ได้และลึกถึงลมไม่ชัดนะับนะครัก็พุ่งไปเรื่องอื่นและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่เคยได้ความสุขจากความสงบที่ลึกซึ้งเราเคยได้ความสุขกับอารมณ์หยาบๆเรื่องราวหยาบๆังนั้นจิตก็จะวิ่งหาจะวิ่งหาอารมณ์หยาบๆอยู่เรื่อยยจิตเราจะคุ้นเคยกับ รูปสวยๆเสียงเบาๆกลิ่นอหอมๆรสอร่อยสัมผัสที่นิ่มๆกิตจะจิตเราจะคุ้นเคยหรือจิตสัตว์โลกจะคุ้นเคยกับการระลึกถึงบ้านถึงทราบถึงเพื่อนถึงพ้องจะคุ้นเคยกับเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างมากง่ายต่อการที่จะวิ่งซ่านไปหาอารมณ์เหล่านี้ได้อย่างมากมายเพราะอะไรเพราะในสังสารวัตรที่ผ่านมาเราไม่เคยฝึกมาหรือการฝึกของพวกเราน้อย จิตของพวกเราจึงเป็นจิตที่ค่อนข้างจะนดือ้อเหมือนลูกวัวที่ดื่มน้ํานมทุกหยดจากแม่วัวที่ขี้โกงแปลว่าอะไรลูกวัวตัวเนีมน้มันอาศัยได้ DNA อดื่มน้ํานมจากแม่วัวที่ขี้โกงเนี่ยนะแม่วัวที่ขี้โกงเนี่ยเป็นแม่วัวที่สามารถมีความสามารถในการที่ซ่อนเต้านมนะ เขาสามารถขยักเต้านมซ่อนไม่ให้ลูกเขาดูดได้เขาเจ็บแต่อีลูกวัวขี้โกงมันก็ใช้ทุกวิธีกลางใช้หัวกระทุ้งบ้างอะไรบ้างจนเต้านมหลุดลงมามันก็ดูดกินเขามันจนได้ไอ้ลูกแม่แม่วัวที่ขี้โกงคลอดลูกออกมา ก, ก็ขี้โกงถึงจะวิจิตพขี้โกงมากเมี่ชั้นใดจิตของสัตว์โลกทั้งหลายก็ขี้โกงเหมือนลูกวัวมันจะวิ่งไปทั่ว ถ้าจะพลากมันออกมาจากแม่เพื่อมันอย่านมโอ้โหมันสุดฤทธิ์สุดเด็ดเลยนะมันจะวิ่งกลับไปหาแม่มันเพื่อจะไปกินนมแม่มันชั้นใดจิตของผุุ้ชนผู้มืดบอดเวลาจะฝึกออกมาเข้าหาเนรรมมาี่ยคมว่าฝึกเข้าหาสมาธิฝึกเข้าหาปัญญาฝึกเข้าหาพระนิพพานก็จะฝึกจิตให้เกิดความตั้งมั่นไม่เอ่มันจะวิ่งไปหารูปเสียงกลิ่นรส มันจะวิ่งเข้าไปหาทรัพย์บุตรภรรยาเบเตอร์เหล่านี้มันวิ่งอยู่เรื่อยเลยนะเพราะอะไรเพราะมันติดเหมือนลูกวัวติดนมแม่จิตของปุถุชนที่ไม่ได้ฝึกมันติดกามะคุณมันติดกิเลสกามวัตถุกรรมถ้ามันไปในเรื่องกามเรื่องเที่ยวเรื่องไปเที่ยวป่าเที่ยวภูเขาเที่ยวแม่น้ําลําคลองไปเที่ยวทั้งหลายเหล่านี้ไปเพลิดเพลินนะโอ้มันไป มันอยากน้อมไปในเรื่องนั้นแต่ถ้าหากว่าจะน้อมมาในเรื่องที่จะมาให้สงบให้ตั้งมัน่นมันไม่อยู่ท่านยังอุปมาบอกว่าเมื่อเราต้องการจะฝึกลูกวัวตัวนี้ก็ใช้เชือกมัดลูกวัวปักหลักไว้ผูกไว้กับหลักแล้วไม่ไม่ลูกวัวมันก็ดิ้นเราก็ไม่เผอเราก็ไม่ยอมปล่อยเชือก มันก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาอยู่นั่นแหละกระทุ่งไปกระทุ่งมาน่ะเข้าเดี๋ยวมันหมดแรงแล้วมันวิ่งวนวนวนวนหนเข้าเชือกมันก็สั้นลงแล้วมันก็จะมันมายืนหมอบหรือนอนหมอบอยู่ที่หลักนะั้นแม้่ชั้นใดสติทําเป็นเชือกลมนี่คืออะไรจิตเหมือนลูกวัวดือ้อะฉะนั้นจิตของบุรุชนเนี่ยเนะเป็นลูกวัวที่ไม่ได้ฝึกฉะนั้นก็ใช้สติมัดจิตไว้ผูกจิตไว้ แล้วก็มาล่ามไว้ที่หลักคือลมหายใจเข้าออกเห็นไหมมองออกไหสติเป็นเชือกแล้วแต่นี้ฉะนั้นเราจะเอาสติเป็นเชือกไปมัดลูกวัวคือจิตที่ดื้อมาผูกไว้ที่หลักคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกไม่ให้ไปที่ไหนพอไปที่อื่นก็ดึงมาไว้ที่ลมต่อไปที่อื่นแล้วก็ดึงมาไว้ที่ที่จุดกระทบ ดึงมาไว้อย่างเนี้ยถ้ามันจะหลับเราก็ปลุกเล่าไปให้หลับเั้ยมันจะฟุ้งใช่ไหมใหม่ๆจะฟุ้งพอมองอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยหลักการมีแค่นี้เองเพียงแต่ว่าอย่าเผลอมันอาจจะฟุ้งไปในเรื่องนั้นฟุ้งไปในเรื่องนี้คิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ก็ผูกมาใหม่เพียงแต่ว่าเราอย่างหงุดหงิดกับเขาเช่นเราเห็นลูกวัวมันดิ้นดิ้นดินดินอย่างหงุดหงิด ให้มั่นใจว่าเราใช้เชือกคือสติผูกไว้แล้วดิ้นไปที่ไหนก็ผูกไว้ที่เดิมดิ้นไปที่ไหนก็ผูกไว้ที่เดิมให้มีความสุขกับการที่จะจัดการวัวตัวนี้ <c oughs> กับลูกวัวดื้อตัวนี้ว่าเราจะต้องจัดการลูกวัวตัวนี้ให้เชื่องให้ได้นะให้มีความสุขกับเขาเวลามันวิ่งไปวิ่งมาให้รู้สึกว่าเอาละมันดิน้นและ เดี๋ยวเราจะจัดการเราจะไม่ปล่อยเชือกนี้เด็ดขาดเห็นไหมเข้าใจอย่างเวลามันดิ้นไปนูน้นดิ้นไปนี้ไปนูน้นปุ่งไปทั่ ว, วเราบอกเราเรารู้เรารู้ว่าหนึ่งให้รู้ว่าเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วสองเราจะไม่ปล่อยเชือกคือสติสามก็คือเราจะผูกเข้าไว้เวลามันวิ่งไปที่อื่นแล้วก็มัดผูกดึงเข้าไว้ดึงเข้าไว้สําสเร็จไหมแบบนี้ ยัแวนสาเร็จไหมนี่เริ่มรู้นะว่าจิตมันเหมือนลูกวัวดื้อแต่เรามีสติคือเชื่อได้ไปกลัวทำไมก็มัดให้แน่นทีนี้งานทางใจล้ ว, ลวนๆนะไม่ใช่เป็นงานทางกายนะบางคนไปเก่งเนี่ยไม่ได้เรื่องเก่งเลยนะแบบสบายๆเลยนะเขาฝึกเรื่องตัวสติฝึกด้านความรู้สึกที่บอกว่า โ, สโศส ต, สตวะอัตสติสตวะปัตสติ เธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกก็คือใช้สติมัดจิตผูกจิตไว้มัดไว้ที่หลักก็แค่นั้นแหละดูพอทุกครั้งที่รู้อ๋อเราผูกไว้แล้วไม่ไปไหนแค่รู้เข้ารู้ออกแปลว่าเราผูกผูกจิตไว้แล้วผูกจิตได้สติไว้กับลมตลอดรู้เข้ารู้ออกรู้เข้าแค่นี้เองแค่รู้เข้ารู้ออกใช่ไหมแค่นี้เราก็เชื่อว่าเราได้ผูกไว้แล้ว ถ้ามันฟุ้งไปปุ๊บอ่ะผูกใหม่มันหลุดไปก็ผูกใหม่มันหลุดไปแล้วก็ผูกใหม่ให้มีความสุขเวลามันฟุ้งนะให้รู้สึกให้รู้สึกสุขใจว่าเออเนี่ยไอ้ดิ้นมากๆมีดีมันยิ่งดิ้นมากก็จะสงบเร็วนะถ้าเราผูกบ่อยๆจริงไหมแต่ถ้าไม่ดิ้นเลยเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีทีมันหลับถ้ามันดิ้นเนี่ยแปลว่ามันมันมันมันมันได้เรื่องนะ แปลว่าไอตัวนี้แหละพอฝึกให้เชื่องแล้วจะดีมากจิตเนี้ย <c oughs> เริ่มเข้าใจอยังยมายานสุรัสเริ่มเข้าใจยังโผล่จิตเนี่ยไหมใช้สติเป็นตัวผล่จิตวัวเดือจิตเหมือนวัวเดือช้างก็ไดืวัวก็ได้ก็แล้วแต่ลูกวัวเดือจริงๆแล้วดื้มไหมจิตนี้ดื้มไหมเหมือนลูกวัวจริงๆริงไมมันเขาไม่รู้เรื่องก็ขเขายังเป็นเด็กอยู่ จิตเขายังเป็นเด็กอยู่เนะถ้าปัญญามาประกอบเขามาอะไรเกิดร่ว ม, มอะไรเขาจึงจะกลายเป็นผู้ใหญ่จิตเนี่ยต่อให้อายุมากขนาดไหนก็คือเด็กเหมือนลูกวัวเลยไม่รู้เรื่องหรอกจิตเขาไม่รู้เรื่องนะเขาไปทั่วหมดเลยแต่พออาศัยปัญญาอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้มาเขาจึงกลายเป็นวัวที่ฉลาดขึ้น แล้วเราจะาฝึกลูกวัวจากวัวธรรมดาให้เป็นวัวอุสุภักขเป็นวัวที่มีพลังอย่างนีเพราะแต่ก่อนเนี่ยเป็นลูกวัวธรรมดาคืออะไรจิตนี่นยนะมันมีอะไรมันมีกามฉันทะกุ้มรุมความติดใจใส่กระสันมีพยาบาทความองุดหงิดใช่ไหมเลี้ยงเขาอยู่มีทีนะมีท่าความโอทูท้อถอยรอเลี้ยงก็อยู่ มีอุเทจักกุกุจักความพุ่งสร้างลาคาญใจเลี้ยงก็อยู่มีมีอวิชามีวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยความไม่รู้เนี่ยเป็นตัวหล่อเลี้ยงก็อยู่วัวตัวนี้มันจึงเป็นวัวธรรมดาเป็นวัวไม่มีพลังอะไรเราไปให้อาหารมันผิดคือไปให้การมาฉันทาพยาบามทีนะมิถ้าอุทเทจักกุกุจักวิจิกิจฉาหล่อเลี้ยงมันมานไอไอลูกวัวตัวเนี้ยมันเลยกลายเป็นวัวธรรมดาเป็นวัวที่ไม่ทรงพลังเป็นวัวที่ไม่ใช่วัวอุสุพะเป็นวัวเชือด เป็นวัวเนื้อแต่เราต้องการจะฝึกบัวตัวนี้ให้เป็นวัวอุสุภะเป็นวัวที่มีพลังฉะนั้นเราจะให้ศรัทธาเป็นอาหารเขาเราจะให้วิริยะเป็นอาหารของเขาให้สติให้สมาธิให้ปัญญาเป็นตัวอาหารหล่อเลี้ยงใจครับแล้วต่อไปก็จะเป็นวัวที่มีพลังขึ้นมามีอิทธิฤทธิ์ขึ้นมาสามารถขจัดกิเลสหรือขจัดโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นได้แล้วเห็นไหม呀 เอาแล้วแต่นี้เราจะฝึกลูกวัวเนี่ยลูกวัวธรรมดาจิตเนี่ยตอนนี้เป็นจิตธรรมดาไม่ได้มีฤทธิ์ม่มีอนุภาพอะไรเลยนะถ้าเราจะอยู่อย่างนี้ก็ตายถูกเชื้อในสังสารวัตถูกฆ่าตายในสังสารวัตรแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าการเจริญอาณาปณสติก็คือเราจะปลึกฝึกลูกวัวธรรมดาให้เป็นลูกวัวอุสุภาเพราะมันเป็นพันพันของอุสุภาพแต่เจ้าของเจ้าของวัวนี่ไม่ฉลาดแต่ตอนนี้เราฉลาดแล้วเราได้ข้อมูลให้อาหารใหม่ พร้อมหรือยังพร้อมที่จะให้อาหารไหอยังมีอะไรจะถามไหมไม่มีเลยไม่มีจะมันเริ่มเข้าใจนะว่าจิตเนี่ยเป็นลูกวัวเป็นลูกวัวดือ้อเป็นบัวจริงๆพันของเขาเป็นพันดีมาก่อนก่อนหน้านั้นนะแต่เขาไปติดแม่ ที่เป็นวัวโกงมาแม่ก็ไม่ได้ฝึกมันนี่เหมือนกันทีนี้เราจะฝึกลูกวัวนี้จากวัวธรรมดาให้เป็นวัวอุสุภาที่มีพลังวัวอุสุภาที่มีพลังขนาดไหนรู้ไหมยอมายันถ้าวัวอุสุภาเนี่ยเอาไปไว้ในบ้านไหนเลี้ยงเอาไว้ในภายในหมู่บ้านนั้นสิบสี่ลังคาเรือนยี่สิบลังคาเรือนจะป้องกันโรคภยัยแค่เจ็บเดียวัวอุสุภามีพลังขนาดนั้น มีลิบมีเดตมากมีกำลังสามารถมีพลังลากอะไรก็ได้ท่านยังอุปมาว่าจิตของเราเหมือนลูกวัวมันไม่มีพลังเพราะเราไม่ได้ฝึกมากเราไปให้อาหารผิดมาเลยที่ผ่านมาไปเอาพวกกิเลสไปหล่อเลี้ยงเขาเขาก็เลยได้แค่ธรรมดาไปทำการงานอย่างที่โลกโลกทำเงินแทนที่จริงมันมีพลังมากกว่านั้นตอนนี้อายุของเราที่ยังเหลือนี่ เราจะมีโอกาสเลี้ยงวัวตัวนี้ให้กลายเป็นวัวอุสุภะทันไหมถึงไม่ทันเราก็ได้มีรู้วิธีการแล้วให้เลี้ยงทุกวันหล่อเลี้ยงทุกวันฝึกทุกวันแล้วที่สุดจริงๆเขาจะกลายเป็นวัวดือ้อวัวไม่ได้ฝึกกลายเป็นวัวที่ฝึกกลายเป็นวัวอุสุภะเป็นวัวที่มีพลังมากจะมีทั้งศรัทธาพละกําลังคือความเชื่อมั่นมีทั้งสติพละกําลังคือสติสมาธิพละพละคือสมาธิความตั้งมั่น วิริยะพละสมาพละกำลังคือความแกลกล้าและปัญญาพละกําลังคือปัญญาพอมีศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญามาหล่อเลี้ยงโอ้โหจากจิตธรรมดากลายเป็นจิตที่มีพลังขจัดของเสียคือการมาฉันทาพยาบาทีนัิรอุทธะจักกุกุจาวิจิจฉาหลุดออกไปเลยนะเข้าจะเป็นจิตที่มีทรงพลังมองอย่านี้นะหน้าเสียดายเราเลี้ยงเราไม่ได้เลี้ยงเข้ามาให้ถูกเราไปให้อาหารผิด ให้ข้อมูลผิดยังกลายเป็นจิตจิตที่มีความพิการมากแค่เจอสิ่งเล้านิดหน่อยมันเตลิดไปหมดเลยเห็นไหมเดี๋ยวไปไปหมกมุ่นเรื่องนั้นเตลิดเรื่องนี้ตลอดเวลาเลยเพราะเราไปให้อาหารก็ผิดั้นวันนี้เรารู้วิธีการแล้วเข้าใจแล้วเราจะเราจะฝึกให้ได้เหลือเวลาฝึกกันไม่มากเราก็จะฝึก ให้ต่อเนื่องมีเวลาว่างเมื่อไรก็จะฝึกมีเวลาว่างเมื่อไรก็จะฝึกจะฝึกให้มีพลังมีอะไรสงสัยไหมแวนมีไหมอ้าวถ้าไม่มีจะได้ฝึกเบื้องต้นเบื้องต้นให้หายใจยาวๆก่อนนะเนี่ยก่อนจะฝึกนี่นะถ้างั้นเดี๋ยวร่างกายไม่พร้อมหายใจเข้าให้สุดเลยนะแล้วก็ค่อยเป่าออกทางปากก่อน ค่อยๆเป่าออให้หมดนะทางนี้นะสักสามสิบรอบลมหายใจก็ได้เข้าออกช้าๆเข้าออกปลุกให้ร่างกายก็ตื่นตัวแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูลมเข้าและลมออกธรรมดายิ่งหายใจช้าๆได้ยิ่งดีนะค่อยๆเข้าก็ไปก็ยหยุดนิดนึงแล้วก็ค่อยๆเป่าออกทั้งปาก เป่าออกให้หมดเลยนะแล้วก็หยุดนิดนึงก็เข้าค่อยๆเข้าไปทาร่างกายให้ปราศจากโรคภัยด้วยทําจิตให้มีความตั้งมั่นด้วยแล้วก็มันจะเกิดการผ่อนคลายนะทำแบบนี้ส่วนไหนที่มันเกร็งในร่างกายมันจะถูกผ่อนคลายไปจากการที่เป่าลมออกเนะี่ยร่างกายจะได้ไม่เกร็งใครที่หายใจได้ยาวๆได้ยิ่งดี หายใจเข้าปุ๊บให้ให้ให้ลึกลงถึงท้องเลยในะท้องน้อยอหายใจเข้าให้ท้องน้อยมันพองขึ้นมาเลยเนะี้ยให้ลึกถึงตรงนั้นเลยแล้วเวลาเป่าออกมาให้นาอกมันขยายอย่างมันตรงเนี้ยเป็นเรื่องมันก็เรียกคลายทําให้มัดเนื้อข้างในมัดเนื้อข้างในมันขยายตัวด้วยแล้วก็มีพลังด้วยเวลาทําเจริญกรรมฐานนะเข้าเนเะข้ามันจะ ทำให้ไม่เกรงไม่เกรงเพราะปกติอาณาปณะสติถ้าไม่ทำแบบนี้ก่อนเนี่ยมันจะเกรงนะ เ, เขัานันั่งเกรงอ่าแล้วต่อไปจะได้เจริญค่อยๆทำไปใ น, นขณะเดียวกันให้ใจสบายด้วยเนะเพราะการเจริญอาณาปณะสติหรือการที่จะฝึกสมาธินะี่สำคัญที่สุดก็คือต้องได้รับความสบายแห่งใจ จิตต้องโปร่งโลนะ่งต้องมีความสุขในขณะที่หายใจเข้าหายใจออกจิตต้องมีความสุขต้องไม่เกรงถ้าส่วนไหนในร่างกายเกร็งให้ผ่อนคลายทั้งหมดเลยนะถ้าไปเกรงเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นการปฏิบัติที่ผิดวิธีไปหายใจใหม่ๆมันอาจจะเอมัน จ, จะนนอาจจะรู้สึกว่าอึดอัดหน่อยคนที่สําหรับไม่เคยหายใจนค่อนข้างจะอาจจะเจ็บหน้าอกบางเจ็บท้องบาง จะไประยะหนึ่งจะดี